ไตรสารณคมพุทธังสารนังคัจฉามิข้าพาเจ้าขอถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นสาระทำมังสารนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถือเอาพระธรรมเป็นสาระสังฆังสารนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถือเอาพระสงฆ์เป็นสาระทุติยามปิพุทธ um ังสารนังคัจฉามิ แม้คร right, ั้งท <pinpoint> <men> ี่สองข้าพเจ้าขอถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นสารณะทุติยมปิธรรมมังสารนังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพเจ้าขอถือเอาพระธรรมเป็นสารณะทุติยมปิสังคังสารนังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพเจ้าขอถือเอาพระสงฆ์เป็นสารณะตติยมปิพุทธังสารนังคัจฉามิแม้ครั้งที่สาม ข้าพเจ้าขอถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นสารณะตะติยมปิทำมังสารนังคชามิแม้ครั้งที่สข้าพเจ้าขอถือเอาพระธรรมเป็นสารณะตะติยมปิสังคังสารนังคชามิแม้ครั้งที่สข้าพเจ้าขอถือเอาพระสงฆ์เป็นสารณะคำอารัธนาศีลห้าเมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะ ติสระเนนสหปัญจศีลานิยาจามะข้าพเจ้าทั้งหลายขอศีลห้าพร้อมกับสรณะสามทุติยามปิไม่ยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตทายะติสระเนนสหปัญจศีลานิยาจามะแม้ในวาระที่สองข้าพเจ้าทั้งหลายขอศีลห้าพร้อมกับสรณะสามตติยามปิ ไม่ยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสระเนนะสหะปัญจะศีลานิยาจามะแม้ในวาระที่สามข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลห้าพร้อมกับสรณะสามปานาติปาตาเว ร, รมณีสิกขาปะทางสัมมาทิยามิเว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นฆ่า อธทินนาธานาเวรมณีสิกขาปัทธังสมาทิยามิเว้นจากการลักของผู้อื่นด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นลักกาเมสุมิชฉาจาราเวรมณีสิกขาปัทธังสมมาทิยามิเว้นจากการประพฤติผิดในกามมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมมาทิยามิเว้นจากการพูดเท็จ คำไม่เป็นจริงและคำล่อลวงอําพรางผู้อื่นสุราเมรยะมะัชะประมาทัฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิเว้นจากการดื่มสุราเมรยัยเครื่องหมักดองทำใจให้คลั่งคล้ต่างๆ